เราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าอย่างมืออาชีพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งดังตะกำ RMUT Moving Towards Innovative University มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562พระราชพิธีสำคัญในการเสด็จถล่มถวัลย์ลายยาราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ร่วมกันเข้าเซ้าถูลล่อยงธิรีพระบาทพระบาทสมเดตพระวชิรหล่าวเจ้า wyglądares สมเดตพระนางเจ้าสุทธิดาพอชร Laborat และถวายพระพรชายมงคนน์เนื่องในโอกาสเศดพรราชาดำเนินเรียบพระนคอนโดยขบวนพยุหักยาดสวัตว์ขรในพระราชิพธีบ pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel pel

พระราชิพธีบรมราชาพิเศกพุทธศกราษช่องพัน1562ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชิพธีสำคัญยิ่งของคนไทย

สร้างสารหมวกมัดย้อมใบสวยเพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยมะเมร็งโรงพยาบาลมหาวัดเชื่อราลงกรทันยะบอรีคลอง10อำเภอทันยะบอรีจังหวัดปธุมธานีในวันที่15ตุลาคม2562ผู้ได้สนใจร่วมสนับสนุนโครงการสามารถสอบถามได้ที่094 991 8998และ096 149 4623

ชั้นเจ็ดศูนย์การค้าบางซื่อจังชั้นด้วยพื้นที่กว่าสองพันตารางเมตรในสไตล์การออกแบบรองรับการจัดกิจกรรมทั้งโซนอบรมสัมมนารองรับได้สิบถึงสองร้อยที่นั่งโซนห้องเรียนฝึกอาชีพโซนนิเทศการสร้างสรรค์ไอเดียพร้อมพื้นที่โถงขนาดใหญ่ขนาดตั้งแต่

ศูนย์วนวัตกรรมและความรู้ชั้นเจ็ดศูนย์การค้าบ่างซื้อจังชั้นสถานสุขภาพความงามบวดสปาผ่ายใต้การดูแลโดยวิทยาลายการแพทแพ้นไทยราชมงคลทัญญาบรีให้บริการทรงเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยปัจจับพันจากธ ร, รมชาติทรีตเมนต้นทุกส่วนของร่างกาย

สอบทำภ้ำเติม 02-592-1933 สถานพยาบาลการแพทย์ผ่านไทยปรายุคศูนย์รังสิทษ์โดยวิทยาลัยการแพทย์ผ่านไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญาบุรีให้บริการตรวจรักษาด้วยสาทย์การแพทย์ผ่านไทยหัดถับบำบัดนวดเพื่อรักษาโรคนวดเพื่อสุขภาพนวดผลคลาย

เอสคอร์ดออนเรดิโอช่วงกาชาดนิวส์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังช่วงกาชาดนิวส์นะคะมีข่าวประชาตสัมพันธ์งานกระถิ่นสภาการชาติไทยซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ร, รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยจะสเสด็จพระราชดำเนินไปถวายภาพพระกระถินสภาการชาติไทยประจำปี2562ณวัดพิสาน ร, รัญญาวาสตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูในวันอังคารที่5พฤศจิกายน2562

สภากาชาติไทยขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมสมทบถวายผ้า พ, พระกฐินสภากาชาติไทยเพื่อบุญระหัตปฏิสังขรณ์วัดนะคะโดยนำฝากเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาติไทยเลขที่บัญชี045ขีด549ขีด5216ค่ะชื่อบัญชีสภากาชาติไทยวงเล็บเงินสมทบถวายผ้า พ, พระกฐินสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1664ค่ะ

มากันที่งานประจำปีกันบ้างค่ะจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะสำหรับงานการชาดประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองระหว่างวันที่สิบห้าถึงวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกาย น, 62, นสองพันห้าร้อยหกสิบสองณสวนรุมพีนีถนนพระรามสี่ตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะถึงยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นการจัดงานนะคะที่สวนรุมพีนีเป็นปีที่สองแล้วค่ะซึ่งไม่ไกลแล้วก็ไม่ไกลจากสภ า, กาชาติค่ะมาง่ายเดินทางสะดวกด้วยระบบการขนส่งสาธารณะค่ะ

ในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเย็นเซียระเพราะพระบริบาลเกิดสายฐานการให้ที่งดงามด้วยนามพระไทยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรราชรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรก้าวเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภคสพาตราชาไทยที่ทำให้พระสงฆ์นิกกร่วมเย็นเป็นสุขและร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรชมขบวนรถเฉลิมพระเกียรติและเรื่อนเริงไปกับระบำน้ำพุในสวนสุดตรัก

ตเต็มอิ่มไปกับกิจกรรมเสี่ยงโชคได้บุญเสี่ยงไทยได้กุศลรุ่นรับของรางวัลจากสภาการชาติไทยชอบชมชิมกับร้านค้ามากมายค่ะรายได้โดยสเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภาการชาติไทยค่ะ

กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายนยังไม่หมดนะคะสถาบันการพยาบาลศรีสวัลินทิราสภากาชาติไทยได้เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะโรคเฉพาะกลุ่มมาไม่น้อยกว่าห้าปีหรือพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเฉพาะทางเพื่อเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางค่ะระหว่างวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนไปจนถึงสิบเจ็ด

ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองโดยเจะเรียนทั้งภาคคริสต์ศีลและก็ภาคปฏิบัติวันจันทร์ถึงวันศุกร์และหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์วันนักขัตฤกษ์ค่ะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่บัดนี้ค่ะถึงวันที่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะคะจำนวนสี่สิบท่านค่ะค่าลงทะเบียนนะคะตลอดหลักสูตรหนึ่งหมื่นบาทสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์สองสองห้าหกสี่ศูนย์เก้าสามถึงเก้าต่อสี่หนึ่งสี่ค่ะ

เนื้อหาในการอบรมประกอบไปด้วย3วิชาค่ะได้แก่วิชาวิทยาการเก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคที่มีปัญหารุนแรงซับซ้อนวิชาหลักการและวิธีการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางและวิชาปฏิบัติการสอนการพยาบาลเฉพาะทางในคลินิกค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงสนทนารอบรั่วค่ะ

คอร์ต on Radio ช่วงสนธนารอบรัวช่วงสนธนารอบรัววันนี้นะคะมีอยู่เรื่องของไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินค่ะเพื่อผู้ป่วยพากินสารนะคะแล้วก็ผู้สุ่งอายุที่มีปัญหาการเดินติดขัดค่ะ

โรคพากรินสันเป็นโรคของความเสื่อมระบบประสาทที่พบได้มากกว่าร้อยละห้าสิบนะคะในผู้ป่วยโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติหรือว่า movement disorder ผู้ป่วยพากรินสันมักจะประสบปัญหาการเดินติดขัดค่ะซึ่งทำให้เกิดความผิดปกติในการเดินพบได้สูงในระยะกลางๆของโรคนะคะโดยอาการเหล่านี้จะไม่ค่อยตอบสนองต่อยาแต่สามารถตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วยแสงทางสายตาหรือว่ามีการกระตุ้นด้วยเสียงทางการได้ยินให้ก้าวเดินค่ะขณะที่ผู้ป่วยมีการ

การเดินติดขัดหากมีสิ่งกีดขวางการกระตุ้นด้วยแสงหรือว่ากระตุ้นด้วยเสียงจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถก้าวข้ามสิ่งกีดขวางแล้วก็เดินต่อไปได้ค่ะเป็นการแก้ปัญหาการทำงานที่ผิดปกติของวงจรต่างๆในสมองของผู้ป่วยค่ะ

ทีมนักวิจัยนะคะซึ่งเดำเนินโครงการนะคะโดยศาสตราจารย์ในแพทย์รุ่งโรจน์นะคะพิทยาสุริหัวหน้าศูนย์ความเป็นเรื่องทางการแพทย์โรคพ า, าร์กินสันและก็กลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้พัฒนาคิดค้นนะคะไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินค่ะเป็นอุปกรณ์นะคะที่เพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดินเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยพาร์กินสันนะคะที่มีปัญหาการเดินติดขาดช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหกลม้มที่นำไปสู่

การบาดเจ็บรุนแรงค่ะแล้วก็ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะโดยไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินนี้นะคะอาศัยหลักการของสิ่งกระตุ้นทางสายตาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยลดปัญหาการเดินติดขัดแล้วก็ลดอุบัติเหตุของการหกล้มในผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันค่ะโดยการออกแบบไม้เท้านะคะพร้อมกับโปรแกรมนะคะที่เหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดินค่ะ

ไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินได้ผ่านการทดสอบการใช้จริงในผู้ป่วยพาร์กินสันแล้วนะคะพบว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาการเดินติดขัดในผู้ป่วยพาร์กินสันทุกรายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะลักษณะพิเศษของไม้เท้าเลเซอร์ก็คือมีการกระตุ้นด้วยแสงทางสายตาขณะที่ผู้ป่วยมีอาการเดินติดขัดซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยนั้นก้าวข้ามสิ่งกีดขวางแล้วก็เดินต่อไปได้นะคะมีน้ำหนักเบาค่ะเพียงแค่450กรัมและใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมชนิดก้อนค่ะ

Guev referred to as GT3 for my wird Ni on all access to my bike-later's Depois to move out to sell way to pack the workout challenge from inversions Then again as a 걸 guer-re goal card, to be easy. amento how to build your rode-at- obedient bike-later's Baples and MIN-TV bone control And the lead of their riders. Through the lead cars should have hardship Here there are times for driving mobility and other 使用 a recognize whether my elektron is acond of specifically and frustrating 그럼 who actually практи Natural malhe ama in order to dovetail Beethoven With Chinese people on their major research, I know whatever way there you are

E、ah. aí

ส่วนข้อห้ามและข้อควรระวังของไม้เท้าเลเซอร์นะคะห้ามใช้ไม้เท้าในขณะเดินขึ้นหรือว่าลงบันไดและถังลาดชันไม่ควรให้ไม้เท้าตกจากที่สูงหรือว่าได้รับแรงกระแทกอย่างแรงนะคะห้ามใช้ในกรณีที่มีน้ำขังค่ะเพราะว่าจะทำให้บริเวณหัวไม้เท้าเปียกได้รับความเสียหายหลังจากที่ใช้งานแล้วควรปิดสวิตช์และวางไม้เท้าในแนวราบนะคะกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาการทรงตัวในขณะใช้ไม้เท้าควรมีญาติหรือว่าผู้ดูแลอยู่ด้วยค่ะเนื่องจาก

ไม่เท้าไม่สามารถป้องกันการหกล้มจากปัญหาการสูญเสียการทรงตัวรวมไปถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาของการมองเห็นนะคะหากพบผิด ป, ปกติระหว่างการใช้งานควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ค่ะ

ไม้เท้าเลเซอร์นะคะมีอายุการใช้งานสามปีค่ะนับจากวันที่ผลิตนะคะไม่สามารถใช้ทดแทนการรักษาทางยาได้ผู้ป่วยนะคะก็จะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ค่ะซึ่งงานวิจัยนะคะอยู่ในระดับความพร้อมที่จะถ่ายทอดแล้วก็เพื่อพัฒนาต่อ ย, ยอดร่วมกับองค์กรต่างๆก่อนนำนวัตกรรมออกสู่ท้องตลาดค่ะ

เป็นการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินติดขาดัดรวมไปถึงส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองภายในประเทศด้วยนะคะในช่วงหน้าความรู้คู่สุขภาพมีอีกหนึ่งปัญหาที่เรามักละเลยเกี่ยวกับดวงตามาฝากค่ะรายการ Rescue on Radio

สร้างสารหมวกมัดย้อมใบสวยเพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลมหาวิเชียรารองกรณ์ธัญบรุรีคลองสิบอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีในวันที่สิบห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนโครงการสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์เก้าสี่เก้าเก้าหนึ่งแปดเก้าเก้าแปดและศูนย์เก้าหกหนึ่งสี่เก้าสี่หกสองสาม

はて

在

เลสคอตออนเรดิโอช่วงความรู้คู่สุขภาพช่วงความรู้คู่สุขภาพวันนี้นะคะมีเรื่องของท่อน้ำมันในเปลือกตาอุดตันค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในภาวะผิดปกติของกลุ่มโรคเปลือกตาที่พบบ่อยในปัจจุบันนะคะแล้วก็ผู้หญิงเอเชียเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มอื่นค่ะ

ทอนำ้ำมันในเปลือกตาอุดตันเป็นอย่างไรรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงงามจิตเกษตรวันหัวหน้าศูนย์เลเซอร์สายตาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคของเปลือกตาไว้ค่ะว่าโรคเปลือกตาเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยแต่ว่าที่เป็นกันมากก็คือเปลือกตาติดเชื้อหรือว่าตากรุ้งยิงค่ะ

เปลือกตาของคนเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยชั้นในที่เป็นชั้นน้ำเมือกนะคะชั้นกลางประกอบด้วยน้ำที่สร้างมาจากต่อมน้ำตาแล้วก็ชั้นที่ช่วยไม่ให้น้ำในดวงตาระเหยค่ะก็คือชั้นน้ำมันแต่ปัญหาที่มักเจอนะคะเกิดจากส่วนท่อที่ถ่ายเทน้ำมันออกมาจากเปลือกตามักจะตันค่ะ

ท่อน้ำมันในเปลือกตาอุดตันนั้นพบมากในคนเอเชียเพราะว่ามีลักษณะท่อน้ำมันที่เล็กสั้นทำให้ท่อน้ำมันในเปลือกตานั้นอุดตันได้ง่ายค่ะเมื่อเป็นแล้วน้ำมันในเปลือกตาก็จะไม่สามารถออกมาได้จนทำให้มีภาวะน้ำตาระเหยบางกรณีเมื่อท่อตันก็กลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคจนทำให้น้ำมันที่ไหลออกมาจากเปลือกตานั้นมีความข้นจนเกิดการอักเสบที่ตาค่ะ

อันตรายจากท่อน้ำมันในเปลือกตาอุดตันนะคะก็คือเมื่อชั้นน้ำมันนะคะหรือว่าชั้นน้ำในดวงตาเกิดปัญหาขึ้นก็จะทำให้ดวงตาแห้งแล้วก็ทำให้ดวงตาอักเสบบางไรายที่เป็นหนักขาดวงตาจะสู้แสงไม่ได้เลยหรือมีอาการติดเชื้อที่เปลือกตาจนทำให้กระจกตาบางและก็ทะลุจนในที่สุดทำให้ตาบอดได้ค่ะ

ปัจจัยเสี่ยงท่อน้ำมันในเปลือกตาอุดตันก็คือการทำความสะอาดรอบดวงตาที่ไม่ดีพอนะคะทำให้สิ่งตกค้างเครื่องสำอางรอบดวงตาอย่างมาสคาร่าอายไลเนอร์อายแชโดว์เข้าไปอุดตันท่อน้ำมันในเปลือกตาได้ค่ะหรือว่าบางรายอาจฉีดโบลท็อกเพื่อทำให้ใบหน้าตึงตรงที่ฉีดก็จะอยู่ใกล้กับเปลือกตามากเลยนะคะทำให้มีผลข้างเคียงได้เพราะว่าในเปลือกตาก็จะมีท่อเล็กๆซึ่งเปลือกตาด้านบนมีด้วยกันกว่าสามสิบท่อค่ะส่วนด้านล่าง

มีมากกว่า20ท่อโดยท่อพวกนี้ก็จะเป็นส่วนที่ไว้ใช้ขับน้ำมันที่อยู่ในเปลือกตาแต่เมื่อใดก็ตามที่มีสารแปลกปลอมเข้ามาอย่างท่อน้ำมันก็อาจส่งผลกระทบทำให้เกิดตาอักเสบค่ะ

การใช้ยาหยอดตาเป็นประจำสำหรับคนที่เป็นโรคต้อหินนะคะยาที่ใช้อัดมีสารกันเสียค่ะซึ่งเป็นตัวกระตุ้นนะคะทำให้เปลือกตาอักเสบจึงส่งผลนะคะต่อท่อน้ำมันที่เปลือกตาอักเสบนั่นเองค่ะทำให้อุดตันได้นะคะซึ่งอาการของโรคท่อหน้ำมันที่เปลือกตาอุดตันเนี้ยก็จะมีอาการเคืองแล้วก็ไม่สบายตาขอบตาแดงแสบตาซุกแสงมาร์กไม่ได้แล้วก็ตาแห้งค่ะ

โรคเปลือกตาใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะโดยเฉพาะคนเอเชียมักมีปัญหาเกี่ยวกับท่อน้ำมันในเปลือกตาอุดตันซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเมื่อเป็นแล้วก็แค่หยอดน้ำตาเทียมก็หายแต่ถ้าเรามีกระบวนการการดูแลท่อน้ำมันในเปลือกตาที่ดีก็จะช่วยได้มากค่ะเพราะว่าต่อให้เราหยอดน้ำตาเทียมมากเท่าไหร่แต่ว่าท่อน้ำมันในตานั้นไม่ทำงานไม่นานน้ำตาเทียมก็จะระเหยออกไปหมดค่ะ

ดังนั้นนะคะจึงควรดูแลเปลือกตาให้ดีตั้งแต่แรกค่ะด้วยการทำความสะอาดรอบดวงตาให้ดีอยู่เสมอโดยเฉพาะผู้ที่แต่งหน้าเป็นประจำนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดของคอนแทคเลนส์ไม่ขยี้ตาหรือว่าสัมผัสดวงตาด้วยมือที่อยัางไม่ได้ทำความสะอาดแล้วก็หัก

ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองมากมากนะคะควรสวมแว่นตากันฝุ่นค่ะแล้วก็หากมีอาการตาแห้งมากๆนะคะอาจเข้ารับบริการนวดเปลือกตาแล้วก็ทำความสะอาดเปลือกตาค่ะที่จะช่วยรีดไขมันเออกจากท่อไขมันนะคะเพื่อลดการอุดตันอีกทางนะคะหากมีอาการแดงหรือว่ามีอาการผิดปกติที่ดวงตาก็ควรจะรีบมาพบแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับการนวดเปลือกตาทำอย่างไรสัปดาห์หน้าติดตามกันได้ใหม่นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ